การพักผ่อนนอนหลับตลอดการภารกิจสำหรับท่านนักบวชเหล่านี้หากเทียบกับภารกของท่านในโลกมนุษย์แล้วก็นับว่าเบามากเราไม่ค่อยจะมีอะไรให้ท่านทำกันมากมายเหมือนแต่เดิมนอกจากว่าจะเทศไปบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่อันที่จริงก็เป็นเรื่องที่สมควรจะต้องเป็นเช่นนั้นตามความเชื่อถือของท่านเองเราเมื่อท่านคิดว่าท่านได้มาอยู่บนสวรรค์แล้ว ก็ควรที่จะต้องได้ใช้เวลาไปในการพักผ่อนตลอดการให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะว่าไหนๆก็ได้พูดถึงเรื่องนี้มาเป็นวักเป็นเวรตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์แล้วและในทํานองเดียวกันพวกสัตบุรุษสีการในคณะของท่านก็พากันพักผ่อนหลับนอนตลอดการไม่น้อยกว่าบรรดาอาจารย์เหล่านั้นของเขาเรียกได้ว่าเขาก็มีความสุขไปตามประสา ข, ของเขาในวงแคบๆของเขานั่นเอง พวกเขาต่างมีชีวิตอยู่ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเท่านั้นเขาได้เชื่อเสียแล้วว่าเพราะศรัทธาเท่านั้นเขาจึงได้มาอยู่อย่างที่เขากําลังอยู่เช่นนี้และเขาก็ต้องมีศรัทธาเช่นเดิมนั้นต่อไปนักบวชทั้งหลายในที่นี้ก็มีทุกชั้นยศนับตั้งแต่ชั้นสูงซึ่งน่าจะเทียบได้กับชั้นสมเด็จไปจนถึงชั้นธรรมดาสามัญขนาดลุงพ่อตามวัดบรร น, นอกเราได้เข้าไปร่วมประชุมทำพิธีกับท่านเหล่านี้มาแล้ว ปรากฏว่าน่าสนใจดีเหมือนกันข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าศา ส, สนาในโลกมนุษย์นั่นเองมีส่วนที่ทําให้ความเชื่อถือของมนุษย์เกิดการไข้เขวสับสนกันยกใหญ่คือทําให้เกิดเป็นนิกายใหญ่น้อยมีความเชื่อถื อ, ถอต่างๆกันซึ่งล้วนแต่เป็นเสมือนโซ่ตรวนคอยล่ามนุษย์ให้ติดอยู่อย่างถอนตนไม่ออกและส่งผลมาถึงโลกทิพย์อีกด้วย เพราะเมื่อเวลาที่มนุษย์ตายจากโลกของเขาเข้ามาสู่โลกทิพย์เขาก็ได้พาเอาความเชื่อต่างๆเหล่านั้นติดตัวมาด้วยทําให้เกิดเป็นโซ่ตรวนคอยผูกล่ามจิตใจของเขาไว้ต่อไปอีกและก็ต้องเป็นภาระหนักแก่เขาที่จะต้องมาชําระสะสางปลดแก้โซ่ตรวนเหล่านั้นกันไม่รู้จักจบจักสิน้นแทนที่เขาจะได้มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้เข้ากับชีวิตใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้โดยสะดวก เมื่อดที่โลกมนุษย์ได้เข้าใจถึงความจริงอย่างท่องแท้เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของโลกทิพย์แล้วบททั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้ถูกใช้ให้มีประโยชน์ในทางที่ถูกต้องมากขึ้นคืออย่างน้อยก็จะได้ไม่เป็นสำนักของคณะอาจารย์ที่ต่างก็มีความเห็นและการปฏิบัติแตกแยกกันไปคนละทางสองทางแต่จะเป็นบทตามความหมายอันแท้จริงของโลกทิพย์ซึ่งแตกต่างกับที่เห็นอยู่ในบทนี้เป็นส่วนมาก ที่ใจกลางของตัวเมืองในภูมิเหล่านี้มีโบสถ์อันมโหฬารตั้งอยู่หลังหนึ่งโบสถ์หลังนี้เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิอย่างแท้จริงเพราะสิ่งก่อสร้างทุกอย่างก็แผ่กระจายออกไปจากโบสถ์หลังนี้ในทิศ ต, ต่างๆกันความใหญ่โตของโบสถ์จะพิจารณาได้โดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าพวกเราสามารถจะเข้าไปนั่งอยู่ได้นับเป็นจานวนตั้งหลายพันโดยไม่ต้องเกรงว่าที่จะเต็มหรือเกิดความอึดอัดแต่อย่างใด โบสถ์หลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมอย่างยิ่งและพอเราย่างเท้าก้าวเข้าสู่บริเวณโบสถ์ก็จะรู้สึกมีพลังแผ่ซาบซ่านอยู่รอบตัวทันทีพลังนี้ไม่ใช่มาจากดอกไม้อันมีจำนวนมากมายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมาจากตัวตึกซึ่งเป็นโบสถ์นั่นเองและพลังนี้จะคงส่งกระแสอยู่เช่นนั้นตลอดกาลโดยไม่มีวันเจือจางหรือหมดสิ้นเลย